ต่อไปปรดสร้างใจปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการภาวนาเราทราบอยู่แล้วว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรเป็นการกระทําเพื่ออะไรถ้าเราตรวจตรองพินี้พิจารณาแล้ว ยิ่งเห็นความสำคัญในการภาวนาเราควรให้ความสำคัญไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ใช่เป็นการทำเล่นหรือทำเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราได้สติปัติหรือเราเป็นลูกศิษย์กรรมฐานเราทำเพื่อประโยชน์บังเกิดผลเปลดจิตใจของเราจริงๆ ทำด้วยความเชื่อความเรื่มใสด้วยความเห็นประโยชน์จากการเกิดทำการปฏิบัติเพื่อสร้างกำลังใจของเราให้มีที่พึ่งที่ยึ ด, ดยที่ทรมนักอาศัยเพราะการปฏิบัตินั้น เป็นการกระทมประกอบไปด้วยกุศลจิตยังจิ ต, จตบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติให้มีความรู้ความฉลาดในทางธรรมนำมาประกอบอบรมจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดหมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง ที่เรียกว่าทิเบตมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นการภาวนาเราสร้างสติความละลึกชอบเมื่อมีความละลึกชอบแล้วก็มีรทำเป็นคู่เรียดวัดละลึกไม่ชอบคือละลึกผิดที่เรียกว่ามิจฉาสติ เมื่อมีสัมมาสมาธิแล้วก็มีมิจฉาสมาธิเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นเราพงทราบาระลึกผิดจะลึกอย่างไรจะลึกชอบจะลึกอย่างไรพระพุทธเจ้ามีกฎเกณฑ์ให้ระลึกไปตรงไหนเรียกว่าระลึกชอบหรือเราต้องกําหนดทราบไว้ในจิตใจ ระลึกชอบอันเป็นทางประพฤติปฏิบัติเรืกองมัชฌิมาปฏิปทาขนทางสายกลางที่เรานำมาใช้ประกอบกับจิตใจของเราในการภาวนานั้นท่านว่าระลึกกายเห็นกายในกายก็ชื่อว่าระลึกชอบหรือระลึกเวทนาในเวทนา ที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเวทนาไม่ได้หมายแต่ทุกอย่างเดียวความสุขก็เป็นสุขกับเวทนาความทุกข์ก็เป็นทุกข์กับเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอุเบก ข, ขาเวทนาเวทนานั้นมีทั้งทางกายและทาง จ, จิตใจแต่ทางจิตใจนั้นทันเรียกอีกอย่างหนึ่ง ความเสียใจน้อยใจจะเรียกว่าโทมนัสจะไม่เหมือนทางกายเพราะการเจ็บใจไม่เหมือนเจ็บแบบทางกายร่างกายเจ็บแมันเจ็บอีกแบบหนึ่งไม่มีโรคภัยพยาธิอย่างอื่นที่จะไปทำจิตใจดวงนั้นให้เป็นโรคโดยตรงได้ แต่โรคของจิตใจนั่นคือโรคกิเลสนั่นเองทำให้ใจเกิดโทมนัอส่วนในทางความดีความสุขท่านก็เรียกว่าโสมนัตเกิดขึ้นในใจเรียกว่าโทมนัตเวทนาโสมนัตเวทนาแต่อุเบกขาเวทนาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราพิจารณาเวทนาในเวทนาให้มีสติระลึกในปัจจุบันเรานั่งอยู่เวลานี้เรามีความสุขมากหรือมีความทุกข์มากมีความสบายใจมากหรือจิตใจไม่ค่อยสบายหรือจิตใจกลางกลางจิตใจมีปิติหรือไม่มีปิติ เราก็ตรวจดูจิตใจของเราได้สวยอารมณ์บันไดหรือแต่ไม่อย่างนั้นให้พิจารณาดูจิตในจิตจิตของเราอยู่ในกุศลหรืออกุศลจิตเราอยู่ในทาส่วนไหนในปัจจุบันจิตของเรา มีราคะหรือจิตของเรามีโทสะหรือจิตของเรามีโมหะหรือจิตของเรามีกามฉันทะมีพยาบาทมีทิ น, นะมิทะวุ่งเหวา่หานอนหรือจิตของเราฟุ้งซ่านรำคาญเรื่อาอุธทจ ธ, ธจักรกฎจักร วิจิตของเราอยู่ในวิจิตกิจฉาสงสัยนอนสงสัยนี่เราก็รู้ในปัจจุบันแล้วดูจิตในจิตระลึกทำอบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกำหนดโลกจะเอาพิจารณาดูจิตกับภาวนาพุทธโธก็ได้เพราะเป็นชื่อของพุทธิจิต อพุโทโธก็รู้หรือเราไม่ภาวนาอะไรแล้วก็รู้จิตมันเป็นสภาวะรู้อยู่แล้วตามรู้มันเฉยเฉยไม่ต้องภาวนาอะไรเราพยายามทำรู้จ่ อ, อนเนื่องกันเอาในเม็ดเครื่องหมายในความรู้ตรงนั้นกำหนดเห็นไดไอ ห, หนึ่งก็รู้แทนไว้อยู่โดยเฉพาะาคอยดูอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตแล้วก็รู้ จิตมันปุงอะไรก็โรอะไรผ่านมาก็โรคในอารมณ์แั้มนั้นเพียงแต่รู้เฉยๆเรียกอัน ะ, ะลึกก็โูคไม่ให้เผลอมีจิตในจิตเผ ล, ลกพิจารณารมในธรรมนี่สติระลึกทมในธรรมเรีย ก, กับสติความระลึกชอบในธรรมสี่อย่าง ในฐานะที่ตั้งของการภาวนาสี่อยะาเรียกว่าการระลึกชอบเมื่อระลึกไปนอกนั้นแล้วมันนอกทางไปแล้วพระพุทธเจ้ า, ส, าสัมมาทิฏิท่งนแจกไปสัมมาสมาธิ <c oughs> จิตตั้งชอบ จิตตั้งอยู่ในสติอันชอบนั่นเองตั้งอยู่ในกายหรือตั้งอยู่ในจิตพยายามระลึกให้จิตในความสงบความริเวทปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกมาตั้งอยู่ในธรรมภายในสุพิจารณาธรรมทรรส่วนไหนรูปธรรมคือ รูปนามมาทำคือนามในขันหานั่นเองอพิจารณารูปมีกายของเราเป็นต้นให้ดูเป็นธรรมเกษาผมหมาพิจารณาแล้วเราสมมติว่าผมแค่จินนั่นมันเป็นสภาวะภาชชนิดหนึ่ง ที่ปรูงขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่สัต์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสัพท์ตว่าทาตอันหนึ่งเรียกว่ารูปธรรมในรูปในเส้นผมนั่นจะพูดถึงกลิ่นทำส่วนนี้กส่วนมีกลิ่นที่ไม่สะอาด โดยที่เกิดก็ไม่สะอาดโดยลักษณะมันก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมาจากที่อื่นประชุมกันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นงอกงามงอกงามขึ้นได้แล้วก็สลายไป ตามกฎของธรรมดาถ้าเราหลงไม่รู้ความจริงก็ทุกข์สร้างทุกข์ขึ้นมาสู่จิตใจสำคัญยึดมั่นแ่าเป็นตนเป็นของตน <c oughs> เป็นเราเป็นตัวตนของเราแท้จริงนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่เขา สมมติเรียกชื่อว่าผมเพื่อให้รู้จักเท่นั้นเองผอมกับหนังศีสระมันเกิดอยู่ด้วยกันแต่มันก็ไม่รู้จักกันเหมือนกับยาที่เกิดขึ้นในจมปลวกในดินดินก็ไม่รู้จักยายาก็ไม่รู้จักดินชั้นใดผมที่อยู่บนสีสษะเรา รักมันมันก็ไม่เคยรักตอบรู้ความตอบสนองเราเร า, เ ร, ารักเราสนุกสนอมเราบำรุงยังไงมันก็ไม่ได้ตอบสนองมันก็เฉยมันก็เป็นแต่ธาตุไม่เกี่ยวข้องกับความรักความชังจิตใจไปพัวพันของเราใครจะตัดทิ้งใครจะเอาไปเผาไฟไปเอาไฟมาเผามาด่ า, า, าดอย่างไรมันก็ไม่ก็ะตือรือร้นไม่รับรู้การกระทําของใคร ใครจะไวให้ยาวใครจะทิ้งให้สกปรกอย่างไรมันก็ไม่รับรู้เนี่ยจึงหว่าเป็นของใครจึงหว่าใครเป็นเจ้าของมันไม่ได้มันเป็นเอกเทศเอกลักษณ์ของมันต่าเกิดขึ้นของมันตั้งอยู่ของมันแล้วก็สล้ายไปของมันตามเหตุตามปัจจัยเราพิจารณารู้รู้ธรรม เพราะฉะนั้นเลยเข้าใจว่าการรู้ธรรมก็รู้ผมเนี่ยรู้ทางความจริงธาตแท้ที่มันหมุนเวียนประกอบไปด้วยสไตรกักมันก็เป็นธรรมรู้ธรรมเมื่อเราเห็นชัดก็เรียกว่าเห็นธรรมเมื่อเรารู้จริงก็เรียกว่ารู้ธรรมเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นของจริงที่อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสความจริงอันนี้ก็เป็นธรรมจริงความจริงนี้ก็เป็นอมตะธรรม ถ้าเราพิจารณาจริงๆนะรู้จริงจะผมเส้นเดียวก็สามารถให้พ้นทพุกได้ความสงบได้ความสุข ส, สามารถตัดสิเลช้ยสิ้นไปได้ข้ามพบข้ามชาติได้ถึงพระนิผ่านได้มีพระอรหันบางองค์พิจารณามีศรัทธาเข้าบวชเพราะมีดก่อนจดผมลด หลุดออกมาเห็นท่านสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์นะเพราะผมอันนั้นไม่ต้องรู้มากก็ต้องการท้นทุกจริงๆแต่ให้ทให า, าให้มากพิจารณาให้มากในทำอันเดียวเท่านั้นขอให้เห็นจริงปฏิบัติอย่างจริงถ้าไม่ดูผมก็ดูส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในขันคือรูป ประธรรมในตัวของเราที่เป็นของอยากที่เราพอเห็นได้ชัดได้ไม่เป็นการอนุมานพอให้เห็นจริงไปจักตามที่มันเป็นจริงเหมือนกับผมที่เราเห็นชัดไปจักด้วยตาก็เห็นได้ยินก็ได้ยินแม้แต่ยกสติระลึกพิจรารณาก็เป็นจริงอย่างนั้นอีกด้วย จะใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ไหนก็ต้องเป็นธรรมวันอย่างคำจะต้องอนิจจังวันอย่างคำจะต้องทุกข์สำหรับผู้ไม่รู้ความจริงความจริงแล้วคืออนัตตามันไม่ใช่อัตตาเพราะเขาเฉยในทุกประการเฉยทั้งปวงไม่ยอมรับอะไรใครจะเสนอสนองอะไรขึ้นมาเขาไม่รับทราบทั้งนั้น เขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะแท้จริงเราไปหลูเขาไปสำ้ำขันเขาไปหมายเขาอว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นตัวเขาตนเองนะ่ะเมื่อเราพิจารณาอันหนึ่งเห็นแล้วอันสองอันสามละ่นะเป็นต้นแบบขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีนังก็ดี ตลอดถึงอาการสามสิบสองมันก็ต้องลักษณะอย่างเดียวกันก็ต้องเห็นชัดทุกอันเป็นธรรมไปเป็นรู ป, ปรธรรมไปพิจารณาโดยธาตทั้งสี่มันก็จะเห็นชัดไม่ใช่พระพุทธเจ้าวางไว้หลอกให้เราหลงท่านแสดงไว้ตามธาตแท้คือธา สิงที่เดียวสิ่งที่แข็งแข็งคนแขนแข็งเรียกว่าธาตุดินเมื่อพิจารณาแล้วมันก็ไม่จากภาพดินนั่นเองที่สังขารเหตุปัจจัยมันกลุ่มขึ้นมาจากดินอ น, นั่นเองผลที่สุดแตกดับสลายไปแล้วก็ไปเป็นดินส่วนไหนก็ไปเป็นส่วนปุ๋ยส่วนอะไรไปเป็น ผักเป็นยาเป็นอาหารของสัตว์กลายเป็นชีวิตเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมามนุษย์เอาไปบริพ่อกว่ากลายเป็นชีวิตเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแร่ธาตุขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเรียกว่าธาตุมันเปลี่ยนแปลงไปได้โดยลักษณะทาสิเอแต่ก็ต้องอาศัยธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่มีอยู่ครบถ้วน เ่อเราพิจารณาแยกเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละสัตว์บุคคลอยู่ตรงไหนเราเขาอยู่ตรงไหนหญิงชายอยู่ตรงไหนความสุขที่เราควรจะยินดีในสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงไหนคนหาความสุขดูสิในผมอยู่ตรงไหน <c oughs> ทําให้เรามีความสุขความทุกข์อยู่ตรงไหน เมื่อไม่เห็นความสุขหนระืความทุกข์มันอยู่ตรงไหนหาให้มันเจอพิจารณาให้มันเห็นให้มันแจ้งกระจัดของมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีของจะเห็นได้ไม่ใช่ว่าเห็นไม่ได้เมื่อเห็นได้ก็ต้องรู้ได้เมื่อรู้ได้แนละ้วต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาตามความจริงให้ถึงธาตแท้ของมันมันจะไปไหน <c oughs> ทุกวันมันทุกเพราะอันนี้เองเพราะเราไม่รู้ความจริงเพราะนี่เองนี่แหละสัจธรรมที่พระพุทธ เ, เจ้าเมื่อเราพิจารณาไปแล้วเห็นประจกแล้วจิตใจเข้าความสงบไปเวย การพิจารณาผมก็คือพิจารณาอริยสัจเพื่อเห็นทุกขสัจเพราะเหตุได้เพราะที่ว่าชาติปิทุกขาความเกิดก็ขันห้ามีผมขนเล็บฟันคือรูปขันนี้เองปรากฏรวมกันเวชนาสัญญาสังขารประชุมรวมกันปรากฏขึ้นมา ความเกิดเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์เรานึกว่ามีความสุขเพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีอุบายไม่มีปัญญาแยกแยะให้เห็นชัด ท, ทั้งทั้งสิ้ทุกมีอยู่ประจำอยู่ทุกทุกผลหาหนทางออกไม่ได้อยากใครๆก็อยากจะออก เพราะเราไม่รู้ว่าความเกิดนี้เป็นทุกข์เ <devant ele, S 1> มื่อมันเกิดมาแล้วไม่ใช่จะเกิดอย่างเดียวความแก่ไม่ใช่จะแก่อย่างเดียวความหิวโหยความกระเทาะืระเทือนรูปนี้จะสลายเพราะหิวรูปนี้จะสลายเพราะร้อนรูปนี้จะแตกเพราะเย็นมากก็จะแตกดับร้อนมากก็จะแตกดับหิวมากก็จะแตกดับกระเทาะ ของทิขแข้งก็ก็จะแตกสลายไปทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นให้มันแตกดับเพราะกระทบหนาวเพราะกระทบเย็นเพราะกระทบร้อนเพราะเราไปเกี่ยวข้องมีอุปทินอกะกิเลสอุปธิกิเลสอยู่ในชนะ อ้าหากว่าโรปที่ไม่มีอุปธิไม่มีการยึดครองไม่มีเจ้าของเหมือนกับแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ใครจะขุดใครจะทําลายใครจะเผาใครจะถ่ายปัสสวะปัสยราบมันก็ไม่ทุกนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีอุปธิหนา้ากลาไม่มี สิ่งที่เกี่ยวข้องไม่มีธาตุรู้ไปเกี่ยวข้องคือจิตไปเกี่ยวข้องนั่นเองไม่มีวิญญาณธาตุอยู่ในที่นั่นนา้าใครจะไปทมเดือดไปทําอย่างไรทำอย่างไ ร, งไรมันก็ไม่เดือดร้อนไฟก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันแต่ธาตุน้าําธาตุไฟอยู่ในร่างกายของเรา เพราะมีวิญญาณธาตุที่อุปทานยึดถือเป็นตัวเป็นตนอยู่จึงมีการกระทบกระเซือนจึงมีทุกข์ขึ้นมาเพราะเราลึกว่าเป็นตนเป็นของตนเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะแยกออกได้ต้องอาศัยกรรมฐาน สมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอบรมจิตใจตามหลักทังประพฤติศาสนาคือภาวนาเบื้องต้นเราสร้างกำลังไม่ว่าทำกรรงานทุกประเภทถ้าไม่มีกำลังแล้วไปไม่รอดกำลังอย่างยิ่งคือกำลังสติตกำลังสมาธิกำลังความเพียร กำลังปัญญากำลังปัญญานั้นเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นกำลังเบื้องต้นส่วนหนึ่งเพียงได้ยินได้ฟังเรืยอสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาเกิดความเข้าใจถูกต้อง ถึงแม้ว่ายังตัดกิเลสไม่ฆ่าไม่ขาดหมดแต่ก็ให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสเพื่อให้เกิดวิริยะหนุนให้เกิดความเพียรความพยายามที่ถูกต้องเพื่อให้บังคับจิตให้มีสติระลึกด้วยความเพียรพลังส่วนอื่นๆก็จะเกิดขึ้นตามมาตามําดับ ในส่วนทําให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ถ้าจิตยังไม่ตั้งมัน่นจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ไม่มีกํำลังมีกิเลสอาศัยความฟุ้งซ่านนี้เองคอยยั่ว ย, ยุคให้เราหลงอไปเห็นสิ่งภายนอกต่างๆยินดีในภายนอกเกิดอวิชชาภายในเึิ่งรู้กม็มันรู้นอกไม่สามารถให้เป็น ปัญญาสัอวิชาภายในที่ไม่รู้จักขันภายในตัวเองได้ส่วนปัญญาในอริยจัดที่เห็นแจ้งแทงตลอดในสมาธิธนี่เป็นปัญญาที่กลับมาเห็นความเกิดความแกกความเจ็บความตายที่มีอยู่ในขันนี่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการเห็นขันนี่เป็นทุก จิตฟุ้งซ่านไม่เห็นต้องจิตสงบเป็นสมาธิแน่วแน่ไม่กําลังฐานดีแล้วจึงยึบยกมาพิจารณาจิตไม่เคลื่อนจากฐานเป็นจิตผ่องใสสะอาดมาพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงทีนี้อาจจะสงสัยว่า เมื่อเราพิจารณาแล้วจิตต้องเคลื่อนจากสมาธิต้องเคลื่อนจากฐานถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาอยู่อันหลักปักแน่นหนาซึ่งอยู่ในเอกคกตาลมยังมีอยู่บังคับควบคุมอยู่ปีตตยังมีอยู่ความสุขยังมีอยู่ถึงแม้ว่าพิจารณาแล้วมันไม่ได้ถอน ถ้าจิตถึงฐานอันมั่นคงอย่างแทจ้จริงแต่จิตเข้าสมาธิอย่างอ่อนๆอย่างที่แรกนั่นเพราะนี่แล้วมันก็ถอนออกหมดถ้าจิตมันจะเกิดวิปัสสนาญาณฆ่ากิเลสแล้วมันไม่ได้ถอนแม้จะเดินอยู่นั่งอยู่บริโภคอยู่มันก็ไม่ถอนมันต้องต่อสู้เอาชนะกิเลส จนสา ม, มารถตัดได้แล้วมันจึงเปลี่ยนสภาพจากอ น, นั้นมาให้เกิดความรีเวกความสงบสนับขึ้นมาเรียกว่าอุปทิกิเลสเกิดความสงบสนับขึ้นมาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากอุปทิสกิเลสคือความสงบทางกิเลสเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลาย อย่าเข้าใจว่าสมาธิหรือความสงบนี่ไม่เกิดประโยชน์แล้วพยายามจะคิดปรุงแส่งหาแต่ปัญญาหาแต่ความรู้จากภายนอกเข้ามาให้มันมากความรู้จากภายนอกนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงอุปทิที่ละเอียดภายในอยู่ในจิตใจซึ่งโรงงานสิิกิเลสเหล่านั้นได้ เรามาเห็นแต่พัสดุที่เขาทําออกมาแล้วอยู่ตามเกลื่อนกล่ลตามตลาดเราไปเที่ยวแก้ไขทําลายอันนั้นโรงงานไม่ทราบอยู่ที่ไหนเราทําลายเท่าไรก็ไม่หมดเรียนรู้เพื่อให้ชัดดับความโง่ในส่วนนั้นมันก็ดับไม่ได้เพราะเราเห็นแต่ผลของงานที่มาอยู่ที่อื่น ส่วนตัวโรงงานแท้มันอยู่ละเอียดลึกซึ่งสลับซับซ้อนถึงทําลายแล้วมันก็พลิดมาอีกทําลายแล้วมันก็สร้างขึ้นมาอีกเพราะเหตุนั้นถ้าเราไม่นำเข้ามาถึงจิตใจมาทําลายความรู้ส่วนภายในซึ่งโรงงานอันสาคัญยิ่งอันนี้แหละ ท้าไม่แยกอารมณ์แยกจิตใจให้เข้าใจแล้วไม่สามารถจะทําลายโรงงานอันนี้ได้เลยอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นใจปรุงแต่งชนิตไหนเป็นมรรคปรุงแต่งชนิตไหนเป็นกิเลสจงรู้ทํารู้จักกิเลสรู้จกักจิตเป็นคู่แข่งกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อต้องการ ความพ้นจากทุกข์แล้วจะต้องพยายามยาส่งนอกแต่ไม่รู้กายก็ดูใจถ้าไม่ดูใจก็ดูกายเพราะถ้าเห็นกายชัดตางความเป็นจริงแล้วก็จิตสติปัญญา น, นี่แหละคุณผู้เห็นถ้ารู้จิตเข้าใจจิตทูกต้าไม่ใช่กายแล้วเวลาเราดูกายแล้วมันก็เป็นของภายนอกเป็นอนัตตาไปหมดเพราะไม่ใช่ แต่ตัวผูนันมันก็ทนทุกข์ได้ทั้งสองอยา่างแล้วแต่เหมาะสมที่เราจะกำหนดดูอะไรแล้วแต่อุปนิสัยแต่ละบุคคล <S <s <ans> เมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายสร้างอกสร้างใจภาวนาอย่าสักแต่ว่าภาวนาภาวนาอบรมจิตใจอย่างใดอย่างหนึง่งให้มีฐานอั น, นแน่วแน่ แล้วเราสามารถเสียรย้ส่วนอื่นๆต่อไปอีกไม่ต้องเป็นห่วงเพราะนั้นขอยเราตั้งใจภาวนาจากไม่ไปให้ภาวนาต่อสมควรเก่เวลาแล้ว